มาขึ้นข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปันาตเจโตคีรสูตรข้อที่226ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณธิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ต้องเรียกคนที่กําลังคุยเนี่ยมาคําพูดของพระองค์จะไม่พูดเลยเลอยแบบเปลืองประโยชน์เนี่ยไม่มีอย่างสมมุติถ้าเรานั่งกันอยู่สิบคนเสียงของพระพุทธเจ้าจะดังเท่ากับคนสิบคนถ้าพูดร้อยคนเสียงจะดังเท่ากับร้อยคนถ้าพันคนเนี่ยที่นั่งอยู่จะดังเท่าพันคนจะไม่มีเกินออกไปแม้แต่นิดเดียว คือประหยัดที่สุดว่างั้นเท่าที่คือจะว่าประหยัดแบบเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดจะไม่เรียกว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟอือยสุรุสุรายแบบทั่วๆไปจะไม่มีพูดเผื่อพูดพลาดพูดพลังพูดเผลอพูดเลอะพูดเลือนไม่มีแต่แม้แต่นิดเดียวและขณะเดียวกันเนี่ยพูดให้คนฟุ้งซ่านฟังพระองค์ก็ไม่พูดพูดให้คนที่ไม่พร้อมจะฟังพูดพระองค์ก็ไม่พูดองค์จะต้องเขาพร้อมที่สุดนั่นแหละพระองค์จึงจะตรัสไม่อย่างรานเนี่ยอ่าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์จะไม่ทําอะไรที่ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยนิดเนี่ยพระองค์ได้ละเสร็จสิ้นแล้วที่โพธิมลทนท่านทุกวินาทีของพระองค์มีประโยชน์หมดมีประโยชน์เพื่อเพื่อความสุขแก่สรพรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่าผู้ใดที่ได้รับก็ได้รับของผู้นั้นไปก็เปรียบเหมือนอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับน้าฝนเนี่ยนะน้ำฝนที่ตกลงมาเพื่อ เพื่อพืช พ, พันธัญญาหารของสรรพสัตว์จะได้เจริญบริบูรณ์จึงอยู่ในขณะนั้นบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์แต่คําสอนเหล่านั้นก็จะมีประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังๆอย่างคําสอนของพระองค์ที่ตรัสที่พระเชตวันเมื่อ 2,500 กว่าปี 2,65600 ปีเนี่ยนะนี่ก็เป็นคําสอนที่อยู่ถึงปัจจุบันคําสอนเหล่านั้นก็ยังมีประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันและจะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตไปเรื่อยๆนี่นะ เพรานั้นคำที่พระองค์ตรัสนั้นจะต้องมีประโยชน์และจะต้องมีผู้ฟังที่ชัดเจนเหมือนกันพระองค์ยังเรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจห้าประการไม่ถอนเครื่องผูกพันใจหประการภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ก็แปลง่ายๆว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณมีตะปูตรึงใจอยู่ห้าอย่างใจของคุณก็ผูกพันอยู่ด้วยเครื่องผูกพันอีกห้าอย่างแปลว่าอะไรนะถ้าพูดแบบนี้ถูกโซ่1ิบเส้นล่ามเอาไว้ที่จะเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้บอกเป็นไปไม่ได้คำว่าตะปูตรึงใจเนี่ยนะตะปูตรึงใจมาจากคำว่าเจโตขีระนี่นะที่ว่าที่สิ่งที่ทาให้ใจนีแข็งกระด้าง เหมือนกับสวมเกราะแล้วมันก้มไม่ลงก็่างั้นเหมือนกับตอไม้ก็ เ, เห็นตอไม้มมันดัดเอาไปทำอะไรได้ไหมเอาตอไม้มาดัดได้ไหมเนี่ยนะเอาตอไม้ไม้แก่นเนี่ยมาดัดเป็นต้นไม่มีประโยชน์ใจเหล่าใดที่แข็งกระด้างใจเหล่านั้นก็เจริญในาศาสนานี้ไม่ได้ใจเหล่าใดที่ยังผูกยังถูกผูกและถูกพันเอาไว้ใจเหล่านั้นก็เจริญงอกงามในธรรมมัธวินายนี้ไม่ได้ คำว่าเจริญคำว่างอกงามคำว่าภัยบูลมีอยู่สามคำเจริญด้วยศีลงอกงามด้วยอริยมรรคภัยบูล์ด้วยพระนิพพานานะนถ้าหากว่ายังไม่ละอากุศลธรรมสิบประการเหล่านี้ที่จะเจริญด้วยศีลงอกงามในอริยมรรคภัยบูณในพระนิพพาน<ๆ>ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ในที่หนึ่งในที่สองจะเจริญงอกงามด้วยศีลสมาธิ จะเจริญด้วยศีลสมาธิจกงอกงามด้วยวิปัสนาและอริยมรรคจะพายุบุญด้วยอริยผลและพระนิพพานเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่าถ้ายังมีอธรรมหรืออกุศลธรรมอยู่ในจิตสิประการเหล่านี้จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทนะัศนจะบรรลุมรรคผลเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะบอกเลยนะเรียกว่าชี้ชัดไม่ต้องพ่าว่าเผื่อว่าเป็นต้นไม่นี้ ถ้าว่าฝนตกนะวันนี้เราก็คงกลับบ้านรถติดอะไรพวกนี้ปัญหาประเภทถ้าว่าเผื่อว่าไม่มีเนี่ยนะมีจะบอกว่าถ้าเธอมีอากุศลธรรมสิประการคือมีตะปูตรึงใจห้ามีเครื่องปูกพันใจห้าที่จะเจริญด้วยศีลสมาธิงอกงามด้วยวิปัสนาอริยมรรคไทยบูรณาพนิพานในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นไปไม่ได้นะนะ ตะปูตรึงใจ5ประการเป็นไนงตะปูตรึงใจ5ประการอันเธอยังมละไม่ได้เป็นไนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจในพระธรรมวินัยนี้ข้อแรกสงสัยเคลือบแคลงสงสัยเคลือบแคลงก็แปลว่าไม่แน่ใจไม่ปร่งใจเชื่อนะไม่แน่ใจลังเลใจไม่มั่นใจไม่ผ่องใสในพระศ า, าสดาสรุปว่ามีแต่ความสงสัยเหมือนทางสองแยกสามแยกเอาไงดี เคลือบแคลงเอใช่หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจเลยไม่ตกลงปรงใจคิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็งอยเงาซึมเศร้าไม่พองใสไม่สบายใจเลยนะีใจที่ขุนมัวก็ยิ่งขุนมัวเป็นต้นเน่ยนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่สงสยัยเคลือบแคลงไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่ฆ่าย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส คือถ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจะเลื่อมใ ส, ม ส, ส, นมม ใ, สในสิ่งที่พระองค์สอนเมื่อไม่เลื่อมใสในสิ่งที่พระองค์สอนจะปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์บอกไหมบอกไม่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทาติดต่อในกุศลธรรมเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อปรา ร, รบความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆซึ่งกุศลธรรมเพื่อทำติดต่อแห่งกุศลธรรมคือศิกขาหรือความเพียรที่ตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าตะตูตรึงใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้นอย่างละไม่ได้แล้วข้อแรกเลยสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในว่าสงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยว่าอะไร สงสัยว่าเอมีหรือบุคคลที่บริบูรณ์ด้วยมหาบริศลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะแปดสิบอย่างมีด้วยหรือคนที่สร้างบารมีทั้งสิบอุปรปรมีสิบปรมัตเปรมีสิบเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสงสัยอีกว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์จริงหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณนะจริงหรือหมายความว่าอติปิโสทุกคำเามาสงสัยได้หมดเหมือนกันนะบุคคลเหล่านี้ที่จะเลื่อมใสที่จะพ่องใสที่จะเจริญงอกงาม ในพระศาสนาของพระศาสดาไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ที่จะเจริญงอกงามที่จะปฏิบัติจเจริญงอกงามด้วยอธิสีนที่จิตและอธิปัญญาจะบริบูรณ์พูนสุขจะเจริญด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นต้นไม่ใช่ก็เหมือนกับว่าจะไปไหนสักแห่งหนึ่งถ้าไม่มั่นใจคนที่พาไปเนี่ยจะไปไหมมันก็มันก็ดึงหรือสิมันก็ดึงมันก็ไม่ไปอยู่แล้วคําว่าศาสดาแปลว่าผู้ที่พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามจาก ถินธุระ ก, กันดานถ้าไม่เชื่อผู้นําทางสัอย่างเดียวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเคยเห็นกองขาราวานที่ติดตามกันไปเยอะๆจํานวนมากๆไหมใครคนไหนที่ไม่เชื่อหัวหน้าเนี่ยนะถามว่าจะไปต่อได้ไหมมันก็เลิกเดินแค่นั้นมันก็อ่อนเพลียก็ตายระหว่างทางเท่านั้นฉันใดผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อบรรุมรุกผลถ้าสงสัยไหนพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาที่จะบรรลุมรุกผลนิพพาน ก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะนั้นะสังเกตดูนะวันไหนที่เราสงสัยในพระพุทธเจ้าเกิดสงสัยขึ้นมาวันนั้นกุศลเราจะไม่เจริญเลยจะน้อยจะไม่ผ่องใสจะไม่เลื่อมสายศีลก็ไม่รู้ไปไหนหมดเนี่ยนะสมาธิปัญญาอะไรคุณธรรมเราใดพระไตรปิฎกแม้กระทั่งเห็นก็ยังไม่อยากเห็นอ่านก็ยังไม่อยากอ่านเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสั็แล้วพระพุทธเจ้าเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเราจะเชื่อเรื่องอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้น พระองค์ก็บอกเลยถ้าเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยนะที่จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะอะไรสงสัยในพระองค์เนี่ยนะข้อแรกแต่เราสังเกตบทพยัญชนะบอกเธอทั้งหลายจงเลื่อมใสในเราเธอมีไหมได้ยินไหมพยัญชนะแบบนี้ฮะมีบ้างแต่น้อยมากตรัสอยู่กับคนไม่กี่คนมีบ้างเช่นกับเสลพราม อยู่คือมีอยู่ไม่ถึงห้าแห่งมั้งที่บอกว่าจงเลื่อมสในเราเถอะมีอยู่น้อยจริงๆโดยมากนี่จะไม่ไม่ลักษณะบอกว่าประกาศบอกจงมาเลื่อมสในเราจงมามีศรัทธาในเราเป็นต้นพระองค์ไม่เคยตรัสแบบนั้นเลยที่เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรทาไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ตรัสรู้ที่พระองค์แสดงนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ ผูกต้องอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งไม่จําเป็นจะต้องร้องเรียกเอาความเลื่อมใสไม่จําเป็นจะต้องร้องเรียกหาความศรัทธาแต่บอกตามเหตุผลว่าถ้าเธอสงสัยในพระองค์เธอไม่เจริญนะมันก็คิดเอากันแล้วกันถ้าไม่อยากเจริญก็ต้องสงสัยให้มากๆถ้าปรารถนาจะเจริญก็จงเลื่อมใสแล้วก็จงผ่องใสเนี่ยนะแล้วก็จงรอบรู้ในพระคุณของพระองค์ แต่อย่าลืมว่าเป็นศาสดาพระองค์เดียวเนี่ยที่ไม่โอ้อวดเรื่องตัวเองเลยถ้าสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์พระองค์จะไม่เล่าโดยที่สุดแม้แต่เรื่องของพระองค์ให้ใครฟังทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งนั้นดีประเสริฐเยี่ยมแต่ก็ไม่เล่าจะเล่าต่อเมื่อสิ่งนั้นจะได้รับประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น อย่างที่ท้าวสกกะตรัสว่าเราไม่เคยเห็นศาสดาพระองค์ใดในอดีต leg leg และจบจนถึงปัจจุบันที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล Infinite, เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่เท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเกื้อกูลแก่ <September. S 2> <magari> โลกเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับพระพุท่เจ้าพระองค์นี้เลยอย่าแงบบนั้นนะนะไม่มีอย่างมากพอเท่ากันพระพุทธาเจ้าทุกองค์ก็ทําได้เท่ากันแต่ว่าที่จะเกินไม่มีนะ พันสําหรับผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาเนี่ยนะเจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะเราก็สอบสวนดูนะบางบางคนเนี่ยบอกเขาเจริญผู้เจริญธรรมะเจริญกรรมฐานปฏิบัติธรรมในพระศาสนาธรรมานานแล้วทําไมเขาไม่ค่อยเจริญเลยคําตอบง่ายมากรู้จักพระพุทธเจ้าไหมล่ะ พร้อมที่จะคิดเรื่องพระพุทธเจ้าไหมเรื่องสายในพระพุทธคุณไหมตรึกพระพุทธคุณได้ไหมใส่ใจพระพุทธคุณได้ไหมอรหันตคุณเป็นต้นสงสัยไหมถ้าสงสัยวันไหนที่สงสัยอมันเริ่มลดมาตั้งแต่วันนั้นแล้วเสื่อมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะพันธะไม่เปลี่ยนความคิดไม่สละคืนความสงสยัยถละความสงสัยเหล่านั้นไม่ได้ยังไงก็เจริญไม่ได้ขอร้องให้เจริญมันก็ยังไม่เจริญเลยเนี่ยนะ ข้อที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปรงใจเชื่อในพระธรรมคือไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสไม่ผ่องใสในปริยัติอันดับแรกสงสัยในพระไตรปิฎกเลยใช่ไหมจริงหรือพระไตรปิฎกใครจะไปจําได้ทั้งหมดมันจะสืบทอดมา 2,000 กว่าปีแล้วเอาอะไรมารับรองเอาอะไรมารับประกันไม่เชื่อหรอกแต่หนังสือนิยายแต่งขึ้นแบบเพื่อเจอร์เนี่ยได้อ่านได้ไม่เป็นไร